ทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพคะเรามาพบกันอีกนะคะกับรายการสรนนิยมนัส น, นาดําเนินรายการโดยสันนิยน่าพง์โดยมีพระมหาภัยบุญอภิปุณโอ น, นะคะที่ท่านก็จะได้ให้ความรู้เราเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งรายการเราพบกันเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะส่วนที่ดิฉันจะสนทนากับท่านไับูญนั้นจะมีอยู่ระหว่างสองวันนี้นะคะคือพระหาดสบดี กับวันศุกร์เริ่มต้นเราก็จะต้องมีการปฏิบัติธรรมกันก่อนเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นได้สะสมบุญกันทีละเล็กทีละน้อยดิฉันพูดประโยคนี้จะจริงหรือไม่เป็นบุญจริงหรือเปล่าเราไปพบกับท่านเพรบุญกันก่อนเลยนะคะน้มสักการะทั้งค่ะเดินป้อนในเวลาฟังธรรมนั้นเราก็มาฝึกในการที่จะตั้งจิตตั้งสติขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราจะทําความเข้าใจในเรื่องใดสักเรื่องหนึ่ง ที่เป็นธรรมะหรือว่าการงานอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจิตที่เป็นอารมณ์อันเดียวนี้จะสามารถที่จะทาให้เราสามารถมีความเข้าใจแทงตลอดในเรื่องราวต่างๆนั้นได้โดยวิธีการนั้นก็คือให้เรามาตั้งสติขึ้นสติที่เราจะตั้งขึ้นได้นั้นก็โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าลมหายใจลมหายใจที่เราหายใจออกหายใจเข้าอยู่อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาอยู่ตามปกตินี้เราไม่ปล่อยให้มันหายใจทิ้งไปเฉย แต่ว่าเราให้มีสติคือเอาจิตของเราเนี่ยมาตั้งอยู่ระลึกถึงนึกรู้เอาใจจดใจจอ่อไว้อยู่กับลมหายใจสัมผัสที่เกิดขึ้นจากการที่เรารับรู้ถึงลมที่มันมากระทบอยู่ได้นในโพรงจมูกณั้นะตำแหน่งนั้นแหละที่เราจะเอาจิตของเราตั้งเอาไว้เวลาที่เรามารับรู้ระลึกถึงสัมผัสของลมหายใจนี้จิตเราก็มาจ่ออยู่กับลม อะไราก็ตามที่จิตมาอยู่กับลมหายใจเมื่อ น, นั้นสติก็จะตั้งขึ้นทันทีสติที่ตั้งขึ้นนี้จะเป็นเครื่องที่จะรักษาจิตเปรียบเหมือนกับเวลาที่ยามหรือว่าคนที่เขาเฝ้าประตูหรือว่าตำรวจเนี่ยเขาอยู่บริเวณป้อมยามเมื่อเขามารักษาอยู่บริเวณป้อมยามหน้าประตูสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับอาการนั้นสถานที่นั้นนั้นเหมือนกันถ้าจิตของเรามาอยู่กับลม สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือสติที่จะมารักษาจิตของเราให้มีความไม่วันไว้ไปตามสิ่งที่มากระทบได้จิตที่เมื่อไม่วันไว้ไปตามสิ่งที่มากระทบมีความเป็นอารมณ์เดียวแล้วไอ้ความเป็นอารมณ์เดียวนี้แหละที่จะทําให้จิตนั้นมีความเข้าใจเห็นแจ่มแจ้งในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมะเรื่องของการงานเรื่องของการที่เราจะคิดแก้ไขปัญหา สิ่งใดๆก็ตามสตินั้นเมื่อเราตั้งขึ้นไปแล้วอภิ ร, ราชาบอกว่าจะทําสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้สมาธิคือความเป็นอารมณ์เดียวที่เกิดขึ้นจากการที่เราตั้งสตินี้สามารถที่จะใช้ในการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงอย่างเวลาที่เรามีเสียงที่ได้ยินจะน่าพอใจก็ตามไม่น่าพอใจก็ตามเนี่จิตที่มีสตินั้นสามารถที่จะทําความเข้าใจได้ว่าโอ้ ที่มันเกิดขึ้นความสุขก็มีความทุกข์ก็มีเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่มากระทบสุขที่เกิดขึ้นนั้นเราก็จะไม่ลุ่มหลงเปลี่ยเปลินไปตามสิ่งที่เป็นความสุขสิ่งที่เป็นความทุกข์เป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากภาจจที่มากระทบนั้นเราก็จะไม่แสดงถึงความขยะกขย้งเกลียดชังไม่น่าพอใจทั้งความที่เพลิดเพลินลุ่มหลงทั้งความที่ขยะกขย้งเกลียดชังก็จะไม่เกิดขึ้นที่จิต ที่เป็นอย่างนี้เห็นตามที่เป็นจริงได้สามารถที่จะทํางานที่ชอบก็ได้ทํางานที่ไม่ชอบก็ได้โดยใจที่เป็นสมาธิโดยใจที่เป็นสติอย่างนี้จะทําให้เวลาที่เราเจอกับใครมีปัจจัยในเรื่องใดๆตอบสนองในสิ่งใดก็ตามสิ่งที่ตอบสนองออกไปนั้นก็จะไม่เป็นคําด่าคําว่าหรือว่าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมคิดชั่วพูดชั่วอย่างนี้จะไม่มีสิ่งที่ตอบสนองออกไปนั้นก็จะเป็นความเมตตาบ้าง ความเมื่อเฟือเปื่อแป่บ้างความที่ทอดทิ้ทอาศัยกันบ้างหรือว่าเธอเจอกับภาษาที่ไม่น่าพอใจสิ่งที่ตอบสนองออกไปนั้นก็จะเป็นความอดทนความไม่เบียดเบียนชื่อว่าการปฏิบัติธรรมโดยการตั้งสติขึ้นนี้ก็รักษาทั้งตัวผู้ที่ปฏิบัติ ด, ด้วยรักษาทั้งผู้อื่นด้วยพระพุทธเจ้าเปรีบเหมือนกับเวลาที่นักแสดงกายกรรมเขาทรงตัวอยู่ข้างบนคนอยู่ข้างบนก็อยู่ข้างบน คนอยู่ข้างล่างก็คอยรับน้ําหนักในการทรงตัวอย่างนี้แต่ละคนก็ ร, รักษาตัวเองรักษาตัวเองก็ชื่อว่ารักษาอีกคนหนึ่งเหมือนกันในอย่างคนข้างบนเขารักษาน้ําหนักของตัวเองให้เหมาะสมตกลงไปตรงๆคนที่อยู่ข้างล่างก็รักษาน้ําหนักที่ข้างบนตกลงมาให้อย่างดีกด็ชื่อว่ารักษาซึ่งกันและกันเหมือนกันเรารักษาจิตให้มีสติก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยก็ชื่อว่ารักษาตัวเองด้วยเหมือนกันและการทําปฏิบัติสตินี้สามารถที่จะ ปฏิบัติได้อยู่ตลอดทั้งวันโดยการใช้ลมหายใจบ้างอันนี้ก็เรียกว่าอานาปานสติหรือว่าการที่เรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพุทธานุสติหรือว่าการที่เราเระลึกถึงความที่มันไม่เที่ยงเป็นของที่เป็นอนัตตาเห็นความเป็นทุกข์ของมันอันนี้ก็เียกเป็นธรรมานุสติได้เหมือนกันสามารถที่จะทําอยู่ได้อย่างต่อเนื่องขณะฟังทำไปก็รู้ลมหายใจไปด้วยพิจารณาสิ่งต่างๆเหล่าลนี้ไปด้วยก็ปฏิบัติได้ตัองวันเลยเจริญปัญญ ค่ะสาธุค่ะที่ฉันได้เกินไปตอนก่อนจะเข้ามาให้ท่านนําปฏิบททัติธรรมนะคะว่าเรามาสะสมบุญกันอืกับการปฏิบัติการปฏิบัตินี้ได้บุญจริงหรือไม่คะบุญคือชื่อของความสุขอันนี้เป็นพุทธพจน์นะบุญคือ ช, ชื่อของความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะนําความสุขมาสู่ใจของเราโดยวิธีการที่ถูกต้องตามธรรม จะมาเราให้ทานอย่างเงี้ยเหมือนที่เราให้ทานในสมาคมการกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็มีความสุขเกิดขึ้นอันนี้ความสุขที่เกิดจากการให้ทานหรือเป็นบุญก็มีหร่ถือ ว, ว่าความสุขที่เกิดจากการใช้ตัวของเราทําเช่นว่าเราจะฆ่าสัตว์เนี่ยตียุง เ, ยเราก็ให้ชีวิตมันล้กันนะให้เลือดมันอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ตัวเราทําคือเรื่องของศีลการรักษาศีลก็จะทําให้จิตนั้นสูงขึ้นมีความสุขขึ้นเป็นบุญตรงนี้แล้วที่สูงที่สุดเลย ก็คือใช้จิตทำอย่างเวลาที่เรามาฝึกสติตั้งสมาธิทําจิตให้เป็นโลมันเดียวเนี่ยอันนี้คือทําความสุขที่เกิดขึ้นในจิตเดียวนั้นเลยแต่เป็นความสุขที่เห็นได้ในทิฏธรรมอันนี้คือสิ่งทชื่อว่าเป็นบุญและบุญคือชื่อของความสุขตรงนี้นั่นเองค่ะนะคะก็คือได้บุญตามที่ท่านได้อธิบายแล้ววันนี้ดิฉันก็เห็นท่านส่งคําถามของท่านฝั่งมาให้นะคะ <c oughs> คุณจั ก, กรลิศถามมาอีกแล้วแต่ว่าก่อนจะไปถึงคําถามของคุณจั ก, กรกลิศ ก่อนมาจัดรายการบังเ อ, อิญหรือฉันดูรายการโทรทัศน์เขากําลังถกเถียงกันเรื่องมนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือไม่ oh. <laughs> เอกเกิดจะมีคนเอาคลิปของท่านที่บอกว่าท่านได้พบมนุษย์ต่างดาวคือท่านอาจารย์เทพน์มเมืองแมนนะนะคะ <laughs> ที่ว่าเป็นอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังของโลกฮาร์วาร์ดแล้วก็มีเสียงมนุษย์ต่างดาวพูดโต้อตอบมา ทีนี้ก็มีคนที่ก็ไม่เชื่อเขาก็ตั้งเรื่องมาไม่เชื่อแต่ดิฉันเนี่ยจะไม่ได้ไปวิาพากษ์วิจารณ์ตามแนวทางที่เขาทากันอื mm hmm. จะกราบเรียนถามท่านว่าถ้าในตามคําสอนของพระศ า, าสดาเนี่ยนะคะ mm hmm. มนุษย์ต่างดาวหรือว่าอะไรที่น่าจะอนุมานเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมีหรือไม่เพราะก็เห็นว่าพระพุทธองค์นีได้ตรัสถึงภพภูมิต่างๆเอาไว้เป็นจํานวนมากใช่ใช่ ถ้าจะอนุมานก็เทวดานี่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งนะในอีกนิติหนึ่งที่มีกายละเอียดหรือมีเทคโนโลยีที่ต่างจากจากมนุษย์เราเพราะฉะนั้นไอสิ่งมีชีวิตแบบอื่นๆ อ, อย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนเช่เนสัตว์เ ด, ดรัจฉานหรือว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันปลายไกลก็เราพวกเห็นพวกไมโครสสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันก็มีใช่ไห ม, มแมลงอะไรต่างๆก็มีเพราะฉะนัน้นในความเห็นเรามาคิดว่า สิ่งมีชีวิตพวกนี้อาจจะมีอยู่จริงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นไม่ได้ไปรับรู้มันได้ไม่ว่าจะเป็นเทวดาขั้นต่างๆสัตว์นรกเปรตอสุรกายพวกนี้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่บางทีก็ปรากฏให้ตามที่เขามีเรื่องเล่ากันมาเหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งมีชีวิตมีอยู่ที่นอกเหนือจากมนุษย์อันนี้มีแน่แต่ว่าในรูปแบบไหนไหนท่านก็จะแยกแยะแจกแจงเอาไว้แต่ามาคิดว่า ไม่ได้ครบหมดท้วนหรอกคือคําว่าครบหมดท่วนเนี่ยหมายว่าไม่ได้แจกแจงโดยายละเอียดโดยรายละเอียดอยู่แต่ไม่ได้ลึกลงไปว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรจะเข้าถึงอย่างไรอันนี้ท่านจะตรัสไว้บางส่วนเท่านั้นเองอย่าง ha เปรตบางประเภทหรือว่าอสุรกายบางประเภทเนี่ยก็จะตรัสบอกถึงว่าเหตุปัจจัยเข้ามาตรงนี้ได้อย่างไรเขาสร้างบุญกุศลหรือว่าบาปกรรมอย่างไรมาเทวดาบางประเภทก็จะบอกไว้เทวดาบางประเภทเขาจะไม่ได้ <zuf> บอกเอาไว้ เพราะฉะนั้นในทางคำสอนเนี่ยจึงเน้นเรื่องในการที่จะให้เห็นถึงความเป็นทุกข์พวกนี้เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์หมด ใ, ให้ทำความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะละวางความยึดถือในสิ่งเหล่านี้ให้ได้ค่ะแปล ว, ว่าอาจมีอยู่สิ่งมีชมีวิตอื่นนั้นมีอาจจะมีอยู่ใช่นะคะแล้ว ดิฉันเห็นเขาตกเถียงกันหน้าดําคร่าเครียดนะคะเดี๋ยวฉันนึกถึงคําสอนของพระสาสดาว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าอืออันนี้พอจะมาตอบคาถามนี้ได้ไหมคะเอาได้สิเพราะว่าจะทําให้เราคลายความยึดถืออย่างที่เรามาว่าไงไอ้สิ่งที่เรากําลังตกเ ถ, ถียงกันสิ่งมีชีวิตแบบนี้แบบนั้นการกดพบนี้หรือโน้นเนี่ยอันนี้มันคือเรื่องของขันห้านะมันเป็นเรื่องของรูปใช่ไหม รูปเนี่ยเป็นขันห้าซึ่งในขันห้าเนี่ยถ้าเราไปยึดถือในนี้เราจะเป็นทุกขันทีเพราะฉะนั้นความเห็นที่คุณโยมติวพูดเมื่อสักครู่ที่เอามาจากพุทธพจน์ ท, ที่บอกว่าอย่าเพิ่งเห็นลงความเห็นว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งเงินเปล่าเนี่ยทำให้เราไม่ได้ไปยึดถือในความเห็นนั้นโดยความเป็นตัวตนโดยความมั่นใจมั่นคงว่าอันนี้ต้องจริงเท่านั้นอันเดินไม่ใช่พอเราไม่ได้ยึดถือแล้วเนี่ยความทุกข์ของเราก็จะไม่มีแต่ความทุกข์ของเราจะลดน้อยลงมากเลย หลักฐานอะไรมายังไงก็ว่ากันตามนั้นไปอย่างนี้นะค่ะส่วนรายการเราซึ่งสนทนากันเกี่ยวกับคำสอนของพระาศาสดาเนี่ยจัดได้ว่าเป็นการมาทำความรู้กับเรื่องที่เรามักจะละเลยมาก่อนคือส่วนใหญ่คนอยากรู้เรื่องข้าง น, นอก <c oughs> คำสอนเหล่านี้ สอนให้เรารู้แต่เรื่องข้างในถูกหไหมคะหรืองข้างในทั้งนอกค่ะคือความความรู้ที่จะเกิดขึ้นแต่ความรู้ที่จะเกิดขึ้ น, านสามารถที่จะแอพพลายทั้งข้างในและข้างนอกได้ในในเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยก็บอกถึงกายที่เป็นภายในกายที่เป็นภายนอกอันนี้เรารับรู้ได้แต่ว่าไอ้การที่จะรับรู้ตรงนี้ที่คุณยโยมติวพูดว่าเราจะต้องน้อมเข้ามาในตัวของเราอันนี้ถูกต้องแต่เราจะต้องน้อมเข้ามาในตัวของเราเพื่อที่จะให้เข้าใจถึงสภาวะข้างในด้วยสภาวะข้างนอกด้วย การทําข้างในให้เป็นอารมณ์มันเดียวนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญเดี๋ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งข้างในและข้างนอกค่ะแล้วเราก็จะเริ่มมาทําให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ฟังของเรานะคะชื่อคุณจักรกลต์ต้องการที่จะเข้าใจมากขึ้นและดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะทําให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้มีความรู้มากขึ้นด้ว ย, วยเช่นกันจากคําตอบของท่านพิบูรนะคะ คุณจะกลิบถามคำถามมาว่าการที่เป็นคนที่คิดนั่นคิดนี่บ่อยๆพอทำไปนานๆมันเกิดเป็นอนุสัยขึ้นมาทำให้ทุกข์เพราะความคิดตัวเราเองไปคิดในเรื่องอะไรจิตมันก็เชื่อไปหมดทุกเรื่องไม่เชื่อก็น้อยส่วนใหญ่เชื่อมากกว่าพอมาฝึกให้มีสติมารู้ลมหายใจหรือมารู้อยู่ที่กายมันก็หายบางครั้งแล้วก็เป็นเหมือนเดิมอีกอย่างนี้ ต้องฝึกสติมากๆตลอดทั้งวันใช่ไหมครับอขอท้าจา่าชี้แนะด้วยแล้วจะให้ทำอย่างไงให้แยกกายแยกจิตแยกผู้รู้แยกสิ่งที่ถูกรู้ออกจากกันได้หรือต้องการให้เห็นเกิดดับให้มากๆขอบคุณท่าจาย์มากๆครับโอเคเอาที่ละคาถามก่อนนะที่คุณจักริดถามมาถึงว่าการที่คิดนั่นคิดนี่บ่อยๆเนี่ยทให้เกิดอนุสัยแต่คพูดนี้ไม่จริงเสมอไป เพราะว่าความคิดบางอย่างทําให้อนุสัยมันล้าไปกลายไปก็มีแต่เช่นว่า likewise, เราคิดเรื่องความเป็นของไม่เที่ยงคิดเรื่องความที่กายมันเป็นของเน่าเปื่อยกายมันเป็นของไม่สวยงามถ้าคิดไปในแนวทางนี้เนี่ยจะไม่เกิดความคลายกําหนัดจะไม่เกิดความปล่อยวางความคลายควกำหนัดความปล่อยวางนี้ไอ้อกุศลมันล้าไปนะอาสวกมันล้าไปนะมันไม่ได้ทําให้เกิดอนุสัยขึ้นมาอนุสัยเดิมที่มีอยู่ก็ลอกไปด้วย เพราะว่าการคิดพิจารณาไปในทางที่เป็นมัคหนันงราะฉะนั้นเราจะไปเหมารวมว่าความคิดทั้งหมดเป็นเป็นทุกข์หรือว่าความคิดทั้งหมดเป็นเรื่องไม่ดีคุณจะเหมารวมไม่ได้อันนี้ข้อที่1ก่อนเพราะว่าการแยกแยะแจกแจงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าถามนะก็ต้องแยกแยะ ก, ก่อนนะความคิดไหนล่ะถ้าความคิดที่เป็นการพยาบาทเบียดเบียนใช่อันนี้จะทําให้เกิดอนุใสขึ้นมาไม่ต้องคิดนานเราเอาคิดแวบเดียวมันก็เกิดอนุใสแล้วพวกนี้ อนุใสในที่นี้หมายถึงว่ามันจะทำให้เกิดกามมันจะไม่เกิดความยึดถือเพราะว่าอนุใสอาสวะพวกนี้มันเกิดจากความยึดถือเรายึดถือในความคิดนี้ทําให้เรารุ่มหลงปุ๊บมันก็จะเกิดอาสวะเกิดความยึดถือขึ้นในจิตเป็นแพทเทิร์นเป็นนิสัยที่เราสร้างสมบูรกูนมาและนี้จะเป็นอย่างนั้นไม่ต้องเอานานเอาแป๊บเดียวก็เป็นละยิ่งนานนี่ยิ่งหนักนต่ทีนี้ถ้าความคิดประเภทที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่ใช่ปยาบาทไม่ใช่ความเบียดเบียนเนี่ยอันนี้เป็นสัมมาสังกปะนะ เป็นสมาสังกปะซึ่งเป็นส่วนของมรรคเป็นส่วนของมรรคเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่เป็นมรรคเนี่ยมันจะทําให้อสุ瓦เนี่ยมันลอกออกอนุสใสรื้อถอนขึ้นมาและยิ่งเดยเฉพายิ่งถรามพิจารณาเรื่องอนัตตาเรื่องกายเป็นของเน่าเปื่อยเรื่องอสุภะเรื่องธาตุสีดินน้ําไฟลมในกายมันไม่เที่ยงพวกนี้อันนี้ก็เป็นความคิดไปในทางไม่เกี่ยวข้องด้วยกามหรือออกจากกามไม่พยาบามไม่เมียดเปลี่ยนอยู่ละ มันจะทมใ่อนุสัยเนี่ยถูกถอนขึ้นอาสบ้นี่ถูกชําระออกเพราะฉะนั้นอย่า ม, มาว่าความคิดทั้งหมดมันจะทําให้เกิดอนุสัยอันนี้ข้อที่1ก่อนทนะีนี้ประเด็นที่สองที่คุณจักรฤษพูดมาที่นี่ก็คือว่าความคิดในเรื่องอะไรเนี่ยจิตเราจะน้อมไปในทางนั้นนะคือ บ, บทเรียนชนะที่คุณจักรฤษเกี่ย ม, มาในตรงนี้ก็คือว่าเราคิดไปนในเรื่องอะไรจิตมันจะเชื่อไปหมดทุกเรื่องนะไม่เชื่อในส่วนน้อยถ้าจะพูดพุทธพจน์ ท, ท, ที่เป๊ ะ, ะตรงนี้ก็คือว่าจิตของเราเนี่ย เรามีความต ร, ตรึกไปในเรื่องใดจิตมันก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นแต่นี่คือ ก, กําหนดบทเปญชนะให้ใกล้เคียงกับของพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าเราต ร, ตรึกมาในเรื่องที่ เ, เป็นไปนในทางการปฏิบาทเบียดเบียนจิตมก็จะน้อมไปในทางนั้นจิตก็สร้างสมเพิ่มพูนกิเลสตนาขึ้นไปแต่ถ้าจิตของเราตรึตรกน้อมมาในทางเป็นมรติตรึตรกมาในเรื่องของมรติมีอะไรบ้างอ่ะก็เช่นอนัตตาเช่นอนิจจัง เช่นอสุภะจิตก็จะน้อมมาในทางนี้จิตที่น้อมมาในทางมรคเนี่ยกิเลสตถามันก็จะค่อยลอกออกลดออกหายไปหายไปแต่เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือคือที่ว่าเออเราจะแชร์นวหรือว่าเราจะปรับจิตของเรายังไงล่ะให้ไปทางที่มันตริตรึกไปในทางที่ดีไม่ตริตตึกไปในทางที่ไม่ดีตรงนี้แหละที่คุณจะกลิบพูดถึงว่าต้องฝึกสติให้มากๆสติตรงนี้แหละจะเป็นตัวที่ตั้งจิตไว้ไงเป็นเครื่องที่ตั้งจิตไว้ นะคําว่าปัฏฐานนี่คือฐานที่คุณจะตั้งเอาไว้เลยสติปัฏฐานเนี่ยนะคือฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงเพื่อให้จิตนั้นมันไม่ได้ไปตริตรึกในเรื่องที่มันไม่ดีแต่เนะพื่อที่จะให้จิตเนี่ยต ร, ตรึกมาในเรื่องที่มันดีทีนี้พอเราฝึกสติฝึกไปฝึกไปจิตนั้นก็จะมีความาปีติมีความปราโมทยอ์อกุศลธรรมมันก็จะค่อยลดลงลดลงใช่ไหมกุศลธรรมมันก็จะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในจิตของเราจะเป็นอย่างนั้นทีนี้พอทําไปทําไป ไอ้อกุศลธรรมที่มันลดลงกุศลธรรมที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยความทุกข์ของเราก็จะน้อยลงน้อยลงพอความทุกข์น้อยลงน้อยลงสิ่งที่ตรงข้ามกับความทุกข์นั้นก็จะเป็นความสุขที่ละเอียดประณีตมันก็จะค่อยมากขึ้นมากขึ้นอย่างกระบวนการก็จะเป็นไปตามนี้อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นไปตามทางคำว่าทางนี้ก็หมายถึงมรรคซึ่งไอ้ข้อปฏิบัติที่คุณตามมาเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบอยู่8อย่างก็คือมรรคแปอันหนึ่นงแต่การทํานี่ก็อยู่ที่ชั่วโมงบินที่คุณจัก่า ก็ทำให้ตลอดทั้งวันอันนี้ก็ถูกต้องอยู่แล้วดีอยู่แล้วฝึกให้มากๆตัวนี้มันก็จะให้เรามีความชำนาญขึ้นมาทีนี้ในคำถามที่บอกว่าการทำอย่างไรถึงจะแยกกายกับแยกจิตตรงนี้ก็ถ้าเรามาดูที่พุทธพจน์นะคุณยมติว๋วพระพุทธเจ้ามีครั้งหนึ่งอยู่ที่ริมบึงแห่งหนึ่งหนองน้ำแห่งหนึ่งตอนนั้นก็เป็นเวลากลางคืนแล้วก็เป็น คืนพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็ชี้ให้ภิกษุสังเกตถึงดวงจันทร์ที่อยู่บนฟ้ากับดวงจันทร์ที่อยู่บนหนองน้ำเนี่ยว่าเออมันเกิดจากอันเดียวกันก็จริงแต่ว่ามันแยกจากกันไม่เนื่องกันอันนี้ก็คือเพื่อที่จะบอกให้ภิกษุทราบว่าเธอภาวนาเนี่ยเพื่อให้กายแยกจากจิตแบบนี้ให้กายแยกจากจิตแบบนี้ทาไมถึงจะต้องทาให้กายแยกจากจิตนะเพราะว่าถ้าจิตของเราเนี่ย มันจะไหลไปตามกระแสในกระแสะที่มาตามผัสสะและ่ผัสสะก็มาทางกายของเรานี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมนี่เป็นช่องทางที่จะทําให้เกิดผัสสะขึ้นในใจแต่ทีนี้ถ้าบอกว่าเราไม่ได้แยกสิ่งนี้ออกจากกันมันก็จะไหลไปตามกระแสะแต่เพราะฉะนั้นการที่เราจะทําให้มันไม่ไหลไปตามกระแสะจิตของเราเนี่ยนะไม่ไหลไปในทางต่ําสุขบ้างทุกบ้างไม่ไหลไปทางนั้น เราก็ต้องแยกมันออกมามีการแยกแยะแจกแจงคําว่าแยกในที่นี้ก็ไม่ใช่หมายว่าคุณแบบเอาไปฆ่าตัวตายหรือว่าเอาแบบเครื่องดูดอะไรงนัน้นมันมันจะไม่เป็นไปตามธรรมมันจะไม่ใช่เป็นการแยกที่ถูกต้องแต่ว่าการแยกในที่นี้ก็คือตั้งสติขึ้นนั่นเองพอเราตั้งสติขึ้นอย่างที่ว่าเนี่ยเริ่มมีการสังเกตเห็นว่าอ๋อความคิดดีก็มีไม่ดีก็มีเริ่มมีการสังเกตเห็นว่าอ๋ อ, ดดมม อ, อผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดนั่นก็อันหนึ่งความคิดนี้ก็อันหนึ่ง แตสติตรงนี้จะมีกำลังขึ้นมาไอ้สติตัวเดียวเดิมเนี่แหละกุญยมติวที่มันจะเป็นก็เรื่องที่จะทำให้เราสามารถสังเกตเห็นไอ้ความละเอียดความรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทิวจิตเป็นอย่างนี้ความคิดเป็นอย่างนี้ความคิดไม่ดีเป็นอย่างนี้ความคิดดีเป็นอย่างนี้จะทำให้เราสามารถสังเกตเห็นได้อันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับยามเนี่ยนะนายทวารที่เฝ้าประตูเนี่ยถ้านายทวารที่เขาเขาไม่ฉลาดแต่เขาจะไม่รู้หรอกว่าคนไหน เป็นพนัก ง, งานออฟฟิศคนไหนไม่ใช่แต่บางทีดูป้ายแต่เขาก็ไม่สังเกตด้วยซ้ำถ้ายามที่ไม่ฉลาดแต่ถ้ายามหรือว่าพนัก ง, งานรักษาความปลอดภัยที่ฉลาดเนี่ยก็จะจําได้ว่าคนนี้ทํางานอยู่ชั้นนี้คนนี้ทํางานอยู่ชั้นนี้พวกนี้มีบารพวกนี้ไม่มีบาัาดพวกนี้คนส่งของเขาจะรู้แต่ เ, เพราะว่าความที่เขารู้จักสังเกตความรู้จักแยกแยะความที่เขามีกําลังความที่เขามีพลังจิตในการที่เขาจะดูแยกแยะได้นี่อันมาต้องการจะเปรียบเทียบมากับสติ ที่เปรียบเหมือนเป็นนายทวารถ้าสตินั้นไม่มีกําลังเป็นสติออนไม่เก่งไม่ฉลาดเป็นสติที่แบบยังไม่เข้มแข็งมันก็จะเผลอเหมือนกับยามที่ไม่ฉลาดแต่ถ้าสติของเราเป็นสติที่มีกําลังมีความเข้มแข็งมีรายละเอียดที่ดีที่สูงมีพลังแล้วเนี่ย <im it> ก็จะเหมือนกับนายทวารที่ฉลาดรู้จักแยกแยะได้อะไรอันนี้เป็นจิตนะอันนี้เป็นกายนะอันนี้เป็นสิ่งดีนะอันนี้เป็นสิ่งไม่ดีนะอันนี้ให้เข้าได้อันนี้เข้าไม่ได้ ก็สามารถที่จะรู้ตรงนี้ได้แยกแยะได้เพะฉงนั้นสตินี่คือการรเลึกรู้แต่คุณสามารถที่สังเกตเห็นได้แล้วก็จะทำให้สังเกตเห็นการเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความตัดไปได้และมีพุทธพุทธอันหนึ่งคุณโยมติวที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงการทำสมาธิภาวนาเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะเนี่ยอันหนึ่งได้ตรัส ถ, ถึงการที่รู้ชัดรู้ชัดนี่คือมีสัมปชัญญะนะว่า สัญญาคือความหมายรู้เกิดขึ้นความหมายรู้ตั้งอยู่รู้ชัดว่ามันดับไปหรืมีความรู้ชัดว่าความคิดเกิดขึ้นความคิดตั้งอยู่ความคิดดับไปมีความรู้ชัดว่าความรู้สึกคือเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้การกระทําตรงเนี้จะเป็นการกระทําที่ทําให้มีสติสัมปชัญญะดังเพระฉะนั้นมันก็คือเรื่องเดียวกันนั่นเองถ้าเราตั้งสติให้ดีเราก็จะสามารถที่จะเห็นการเกิดดับได้เราเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ก็เป็นการพัฒนาสติของเราให้มีกําลังมากขึ้นด้วยเหมือนกันค่ะก็ถ้าบอกว่าจริงๆแล้วคุณจักกิรินี่เข้าใจในส่วนในส่วนอของเรื่องการจะแยกกายแยกจิตได้ถูกต้องเหมือนกันนะคะที่บอกว่าต้องให้เห็นการเกิดดับมากใช่ค่ะทีนี้ที่ฉันฟังถ้าอาจารย์พูดในบางส่วนเนี่ยท่านบอกว่าเหมือนกับสติมีคุณภาพกับไม่มีคุณภาพพูดอย่างนี้ได้ไหมคะใช่ถูกต้อง หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทุกขณะทุกคนมีสติอยู่เพียงแต่จะมีมากมีน้อย อ, อย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ใช่หรือว่ามีตอนที่ไม่มีด้วยมันจะมีคือสติเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นคือถ้าเราวาดเป็นสเกลนะสเกลซ้ายสุดเนี่ยก็คือแบบเพลสติเต็มที่เลยนั่นคือประมาทเต็มที่เลยขวาสุดนี่คือมีสติเต็มที่เลย แต่ซ้ายขวาเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นสเกลอะแต่มากบ้างน้อยบ้างสลับกันไปในแต่ละวันคือถ้าเบอกว่าเราเผลอสติสุดๆเลยลืมหลงไปเลยอยู่ซ้ายสุดไปเลยเนี่ย<ๆ>ก็จะทําตามกิเลสคือเป็นบ้าไปแล้วแต่คือจะเป็นคนงงงคลั่งเผลอเผลอสติไปเป็นบ้าไปเลยนี่คือทางด้านซ้ายสุดไปแต่ทีนี้ถ้าด้านขวาสุดถ้าคุณมีสติเต็มที่เลยคุณก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปเลยอันนี้คือทางขวาสุด เพรแต่ละคนก็จะเป็นสเกลตรงเนี้คือมันไม่ใช่ว่าเป็นศูนย์หนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นสเกลสีเทาเทาเทาเข้มบ้างสีขาวๆแบบเทาจางๆนิดนึงก็อาจจะปรับไปปรับมาตรงนี้เขาเรียกว่าที่คุณยมติวช้างว่าคุณภาพตรงนี้ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพลังเป็นพละหรือเป็นกําลังสติกําลังคือสติตรงเนี้ว่าคุณมีกําลังมากหรือกําลังอ่อนแต่ว่าอยู่ที่แต่ละคนฝึกได้ค่ะยิงเคยได้ยิน คำกล่าวถึงเรื่องของพลังของจิตไม่ได้พูดถึงคุณภาพของสตินะคะแต่ได้อธิบายในสิ่งที่เรียกว่าพลังของจิตเนว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากมแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีและใช้เป็นสิ่งที่ใช้สิ้นเปลืองจะต้องอพยายามสร้างให้เกิดมีขึ้น เพื่อให้มากขึ้นแล้วก็ให้เกิดประโยชน์อันนี้ฟังดูคล้ายกับเรื่องของสติที่ท่านพูดแต่เป็นเรื่องเดียวกันไหมคะเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าคำว่ากาลังหรือพลังเนี่ยในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคือเรื่องของพลังห้าซึ่งท่านจะแยกแยะไว้5อย่างกําลังพลังจิตที่เราพูดถึงเนี่ยคนนี้มีพลังจิตคนนี้มีกําลังจิตสูงเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะแยกไว้5อย่างในกำลังคือศรัทธาหรือความแบบ มั่นใจความลงใจความเชื่อใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นพลังใจเหมือนกันแต่พลังใจแนอันที่2ก็คือกําลังใจคือวิริยะคือการทาจริงแน่วแน่จริงนําคนมีกรรมการกระทําที่แบบตั้งใจมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะทําสิ่งนี้แต่ไม่ย่อต่อแต่ความยากลําบากอันนี้คือวิริยะแตก็คือกําลังคือวิริยะอย่างที่2 อ, อย่างที่สาในที่นี้ที่เราพูดกันก็คือกําลังคือสติแต่ที่มีความคมในการที่จะสังเกตสิ่งต่างๆได้ รายละเอียดเล็กน้อยก่ารู้กว่าเห็นอันนี้คืออันที่3กําลังคือสติในเป็นส่วนหนึ่งของกําลังใจในแง่มุมของสติอันที่4ก็คือกําลังใจในเรื่องของจิตที่เป็นสมาธิในคือกําลังคือสมาธิในข้อที่4คือความที่เป็นอารมณ์มันเดียวแต่มีความแลมคมเหมือนเลเซอร์อย่างเงี้ยปาดไปทางไหนจอบไปทางไหนมันรู้หมดเห็นหมดนี่คือข้อที่4ในข้อที่5คือปัญญาปัญญาคือกําลังของจิตอย่างหนึ่งแตจิต ดวงนี้มีกำลังในการที่จะเห็นตามความเป็นจริงมีปัญญาในการที่จะรู้สิ่งต่างๆอันนี้คือกำลังคือปัญญาแต่ในทางคำสอนของบบพระเจ้าก็จะพูดถึงกำลังของจิตเนี่ยมีอยู่ห้าอย่างนี้ก็เรียกว่าพละห้าสัทธาวิรยิยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาชิดนบอนค่ะดังนั้นก็เท่ากับว่าในคากล่าวที่พูดถึงพลังจิตเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการจะปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่ให้ประสบความสําเร็จหรือว่าให้ได้ผลดีการมีสติที่ดีก็จะทําให้เราได้ผลดีในการดำเนินชีวิตเช่นเดียวกันใช่ใชตรงตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกประสูตหนึ่งที่พูดถึงว่าถ้ากําลังเหล่านี้ของเราเนี่ยนะมันมันอ่อนใช่ไหมกาลังมันอ่อนเนี่ยทําให้การบรรลุธรรมเนี่ยมันก็จะช้าเดยจะยืดยาวไปเนินนานไป แต่ถ้ากำลังของเรามีความเข้มแข็งมีกำลังสูงการบรรลุต่ำของเราก็จะเร็วจะได้ไวอันนี้มีการเปรียบเทียบกันอยู่2อย่างแล้วนอกจากนี้ในกำลัง5อย่างนี้คือถ้าสติของเรามีกาลังมากเนี่ยนะสติของเรามีกำลังมากเนี่ยนะ เ, เราจะรู้ว่าไอ้ด้านไหนในสีด้านของเราเนี่ยที่มีกำลังอ่อนหรือถ้าเรามีสติมีกำลังมากเนี่ยถ้าศรัทธาเราอ่อนเราจะรู้เราก็ไปเพิ่ม กำลังคือสต้าถ้าสติของเรามีกําลังมากกําลังคือความเพียรของเรามันอ่อนเราก็ไปเพิ่มกําลังคือวิริยะได้หรือเรื่องของสมาธิหรือเรื่องของปัญญาถ้ามันอ่อนมีสติมีกําลังมากเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋องั้นฉันสมาธิฉันน้อยฉันต้องไปเพิ่มสมาธิปัญญาฉันน้อยฉันต้องไปเพิ่มปัญญาอันนี้ก็จะปรับได้แต่ทีนี้ถ้าบิดว่าเออบางอย่างมันมากเนี่ยเช่นบานบางทีศรัทธาเนี่ยมาก มากเกินจนเกินกําลังของสติขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่เกินกําลังของสติไปเนี่ยจะเป็นลักษณะของตันหาแล้คือสติกุมไม่อยู่ใช่ไหมมันก็จะโผล่ออกมาเป็นรูปแบบของตันหาที่แสดงออกมาในรูปของความงมงายความยึดถือในครุบาจาร์หรือว่าในเครื่องอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งที่เป็นความงม ง, งายออกมาั น, นี่คือถ้าศรัทธาคือมีกําลังมากเกินกําลังของสตินะหรือว่าถ้าเจ้าความเพียรคือวิทยาเนี่ยถ้ามันมีกําลังมาก มากจนกระทั่งเกินกำลังของสติไปออกมาเป็นรูปแบบของตัณหาที่แสดงออกมาในรูปของความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นถ้ามีความเพียรมากแต่สติคุมไม่อยู่ที่มากเกินออกมานี่ยก็จะฟุ้งซ่านไปหรือว่าแบบดิ้นรนไปในทางอื่นไปเรื่องใหม่ไปส่วนเรื่องของสมาธิ donné, ถ้าสมาธิมันมายยจกจนกระทั่งสติคุมไม่อยู่ส่วนที้เกินออกมาเป็นรูปแบบของตัณหาก็จะแสดงออกมาในลันกษณะของความขี้เกียจขี้คร้าน ความเฉยเมยความเฉื่อยชาความแช่เป็นน้ําแข็งอยู่อย่างนั้นไม่ได้ไปพิจารณาเห็นตามที่เป็นจริงอันนี้คือถ้าสมาธิมันมันมากเกินกําลังสติที่จะกลมอยู่ได้แล้วจนเรื่องของปัญญาแต่บอกว่ามันมันมากเกินกําลังของสติที่จะกุมอยู่ส่วนที่เกินไปนั้นเป็นตันหาที่จะแสดงออกมาในรูปของความไม่ลงใจความเครือบแรลงเห็นแยง้งความยกตนข่มท่านความลบหลู่คุณท่านอันนี้ก็จะแสดงออกมาแบบนี้ แต่เพราะฉะนั้นอินทรีย์5อย่างเนี่ยไม่ใช่ว่ามากมันจะไม่ดีนะคือมากๆแน่นดีแน่นอนแต่ว่าถ้ามากแล้วคุณคุมไม่อยู่ไอ้ส่วนที่มันเกินไปเนี่ยมันไม่ใช่ที่จะบอกว่าเป็นอินทรีย์หรอกส่วนที่เกินไปเนี่ยคือตันหาที่มันล้าหน้าคุณไปแล้วเราจะคุมส่วนที่เกินไปนี้ให้อยู่ได้ไม่ให้มันออกมาเป็นรูปแบบตันหาในลักษณะต่างๆก็ต้องมีสติฝึกสติให้มีกําลังแต่ไม่ไดอย่างที่คุณจะกลีตามาว่าเฮ้ยต้องตั้งสติให้มากๆนะฝึกมันทั้งวันเนี่ย ถูกต้องแล้วให้ทำให้ได้ค่ะนะคะก็คงจะได้ความประจาน ก, กันไปแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปสำหรับผู้ที่ได้สนใจในเรื่องของการปฏิบัติแบบเดียวกับคุณจกักริกซึ่งมันสัมพันธ์กับการเมินชีวิตประจำวันของเราดิฉั น, นเองระยะหลังเนี่ยได้สังเกตเห็นคนเป็นจนวนมากชอบ นั่งสมาธิเมื่อกี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปเห็นในวัดไง hmm. คือบางครั้งไปรอพบแพทย์ที่โรงพยาบาลได้เห็นมากกว่าหนึ่งคนนะคะ hmm. นั่งในอาการที่ทิงเข้าใจว่าคงไม่ได้นั่งหลับตาเฉยๆหรอกนั่งสมาธิ hmm. <No. S 2> ก็อยากกลับเรียนถามท่านเหมือนกันนะคะว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเราสามารถนั่ง นั่งได้ทุกที่เลยใช่ไหมคะเป็นความเหมาะสมแล้วหรือว่าไม่ควรพระพุทธเจ้าเคยติงเตือนไว้อย่างไรหรือไม่เออจริงจการทําสมาธิเนี่ยมันอยู่ที่จิตจิตเราอยู่ได้ทุกที่ทุกสถานอยู่แล้วเราก็ทําได้ในทุกอริยบทอยู่แล้วที่เนี่ในรูปแบบที่คุณว่าคุณจะไปหลับตาใช่ไหมอย่างที่คุณโยมติ๋วเห็นเนี่ยคือบางทีถ้าเราไปทําที่ที่มันอาจจะจะให้คนอื่นเขาเพ่งเล็งไปในทางไม่ดีได้อย่างเช่นว่าบางทีแม่ไป นั่งสมาธิที่วัดใช่ไหมกลับมาบ้านก็นั่งหลับตายิ้มคนเดียวลูกเห็นก็เลยเอาสงสัยแม่จะเพี้ยนไปแล้วหรือว่าไปทําที่ทํางานอะไรเงี้ยในเวลาที่มันไม่เหมาะสมอ่ะแต่บางทีก็อาจจะให้เขาพูดไปในทางไม่ดีได้อันนี้คืออยู่ที่รูปแบบที่เราควรจะแสดงออกในสถานที่ที่มันควรจะเหมาะสมนะทีนี้ว่าไอ้เรื่องของจิตเนี่ยคุณสามารถทําได้ในขณะลืมตาด้วยขณะหลับตาเดินยืนนั่งนอนคุณทำได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จิตความเป็นระเบีเดียวเนี่ยนะอม ก็เหมือนกัว่าจริงๆจะทำได้แต่ก็ดูคิดดูทางหน่อยนะคะที่ว่าเหมาะสมดิฉันเองเคยตอนที่นั่งสมาธิติดๆกันเนนะคะเวลาไปไหนก็จะต้องหาโอกาสนั่งสมาธิเคยไปกับเพื่อนสองคนเรานั่งสมาธิอยู่ในตอนกลางคืนปรากฏเขาตกใจมากแล้วเขาขอร้องว่าทีหลังจะทำได้ไหมคือเหมือนกับเขาไม่คุ้นเคยแล้วเขาเกิดความกลัว อย่างนี้ค่ะว่าคนนี้ทําไมลุกขึ้นมามืดๆแล้วก็นั่งคนเดียวอะไรเงี้ยนะเขาอาจจะไม่คุ้นชินใช่ใช่ค่ะอเ อ, อเพราะว่าเราก็คิดว่าแหมเขาจะเลือกนั่งตอนที่มันมืดๆ ด, ด, ด, ดีกว่ากือเกรงใจเขาใช่ไหมคะมมมมมกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ทําให้พอเขาตื่นขึ้นมาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาบอกเขากลัวมากค่ะเ อ, อก็คงจะกราบสนทนาธรรมกับท่านพิบุลได้แต่เพียงเท่านี้ในวันนี้นะคะก็นมัสการขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งกันเจริญพร ท่นฟังที่เครพค่ารายการสันสนิษฐานนะคะเราก็พยายามที่จะสนทนาในแง่มุมซึ่งจะให้ท่านได้นําออกมาใช้กับตัวของท่านเองในทุกๆวันแล้วก็เป็นแง่มุมที่แตกต่างจากเรื่องอโลกโลกทั่วๆไปแต่ไม่ได้หลุดจากเรื่องของชีวิตประจําวันของเราเลยทีเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของธรรมนั้นแยกไม่ออกจากชีวิตประจําวันแล้วนะคะควรจะมีควบคู่กัน เพื่อชีวิตที่ดีกว่าต้องใช้คำนี้นะคะแล้วเราก็จะเชิญท่านมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้พุทธวัตสวัสดีค่ะ